ถึงงูจะพิษร้ายขนาดไหนก็ยังสู้กิเลสภายในใจของเราไม่ได้พิษร้ายแรงกว่าพิษสรพิษทั้งหลายวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งวันแรมส5ข้า่เดือนหปี2549 นับจากวันนี้ไปอีกเดือนครึ่งก็เป็นวันเข้าพรรษาถ้าจะว่าไปแล้วอีกไม่นานเพียงเดือนครึ่งวันนั้นเรื่องการเตรียมพร้อมในหลายด้านของพวกเราที่จะเข้าพรรษาก็ให้เตรียมพร้อมทางกายวาจาใจของเรา ว่าในพรรษาที่จะถึงนี่เราควรจะทำตัวอะไรทำตัวอย่างไรอย่างเนี้เป็นการวางแผนเพื่อข้ากิเลสเขาจะทำความชั่วเขาก็ยังมีการวางแผนเราจะสร้างกุณงามความดีจะชะอกอการะกิเลสออกจากจิตใจพวกเราก็ควรจะมีแผน วางแผนเช่นเดียวกันว่าพรรษาที่จะถึงนี่เราควรจะทำอะไรบ้างเพรา ะ, ะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านนั่นน่ะการจะทำคุณงามความดีก็ควรจะมีแปลนมีแผนเหมือนกันไม่ใช่จะทำแบบเลื่อยเปื่อยทำไม่มีหลักมีเกณฑ์อย่างนั้นใช้ไม่ได้การที่จะสั่งสมคุณงามความดีถ้าเรามองเห็นแล้วว่า การทำคุณงามความดีนั้นต้องเป็นหน้าที่ของเราเราคิดดีแล้วไม่มีใครที่จะชักนำชักจูงเราถ้าว่าคนบังคับขู่เข็นให้เราสร้างคุณงามความดีมันบังคับไม่ได้นานหรอกแต่ถ้าว่าเรารู้เหตุรู้ผลด้วยตนเองสมควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร อย่างนั้นะ่ะมันจึงจะมั่นคงถาวรคิดขึ้นมาเวลาใดเราก็ไม่เสียใจเพราะเราคิดดีแล้วเราจึงเดินมาอย่างนี้เราจึงทาอย่างนี้เพราะนั้นการที่จะทำคุณงามความดีก็ดีการที่จะทำสิ่งที่เป็นตามชอบใจของตัวเองก็ดีเราต้องคิดให้ดีบวกลบคูณหารดูให้ดี ก่อนที่จะทําสิ่งไหนลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําความชั่วเนี่ยถึงอย่างไงเราก็ควรจะเบรกไม่ควรจะคิดทําไม่ควรจะคิดไม่ควรจะพูดไม่ควรจะทําแต่คุณงามความดีทั้งหลายที่เราได้ศึกษา ว, ว่านี่คือแนวทางเป็นนิยานิกระทัมหรือว่าเป็นหนทางที่จะไปสู่ความสุขทั้งทา ง, ทงโลกและทางธรรม ตามแนวแถวที่พ่อแม่กูบาอาจารย์ที่พระพทุทธเจ้ากาหนดเอาไว้ตรัสเอาไว้ในหลักพระธรรมวินัยของพระพทุทธเจ้าถึงเราจะไม่อยากจะทําเราก็เห็นว่าเหมาะสมถูกต้องเป็นธรรมตามแนวแถวทางนี้ต้องฝึกฝืนต้องฝื น, ฝนใจตัวเองให้ทา เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าจะให้อยากจะอยากจะให้ใจของเราคิดอยากจะทำซะก่อนยังค่อยทำโดยมากจะไม่เป็นอย่างนั้นโดยมากถ้าว่าใจอยากจะทำโดยมากมันจะไหลไปทางต่ำคือความชั่วเสียมากกว่าแต่ส่วนคุณงามความดีนั้นใจไม่ค่อยอยากจะชอบทำอันนี้เป็นมาตั้งแต่ดึกดำบัน แต่ยุคไหนสมัยไหนอยู่แล้วไม่ใช่ที่เกิดมาแต่ยุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะตัวของเราเองคำนี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าพระหรันสาวกครูบาอจารย์ท่านพูดมาให้ฟังนมนานอยู่แล้วว่าความชั่วนั้นทำมันทาง่ายกว่าความดีแต่ว่าถึงยังไงก็ตามในหลักที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าคนดีทำดีได้ง่ายทำชั่วยาก คนชั่วทำชั่วง่ายทำดียากอันนี้ท่านก็แบ่งแยกเป็นสองไว้เหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ตามก่อนที่จะเป็นคนดีนั้นท่านก็ได้สู้ความชั่วมามากตอกมากเช่นเดียวกันก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระอริยะบุคคลท่านก็ได้สู้กับความชั่วขึ้นมาแล้วจึงได้โดดเด่นขึ้นมาเหมือนกับคนเรียนหนังสือเนะ่เขาก็สู้กับความไม่รู้ของเขามา หลายปีเหมือนกันตั้งแต่เรียนกของอ ง, องขึ้นมาเขาสู้กับความไม่รู้สู้กับความโง่ของเขามานานพอสมควรจึงรู้จึงฉลาดขึ้นมาถึงได้ระดับนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระอริยชนขึ้นมาพระโสดาพระสกทาขาพระนาคาพระรหรันท่านก็ได้สู้กับความโง่ของท่านมามากพอสมควรท่านจึงได้เป็นอริย ชนขึ้นมาถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นการสู้กับความชั่วในจิตในใจของท่านเองคือสู้กับกิเลสภายในของท่านเองไม่ใช่ของทำได้ง่ายๆไม่ใช่ของเอาชนะได้ง่ายๆต้องสู้แล้วสู้อีกฝึกฝนแล้วฝึกฝนอีกทําแล้วทําอีกแก้ไขแล้วแก้ไขอีกฟังแล้วฟังอีกปรับปรุงแล้วปรับปรุงอีกกายวาใจาใจของท่าน จึงสูงยอดเป็นลําดับขึ้นมาแต่ถ้าหว่าปล่อยตามกระแสความชั่วใจอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะพูดยังไงก็พูดอยากจะคิดยังไงก็คิดโดยที่ไม่มีการฝืนจิตฝืนใจของตนเองแล้วจะเป็นคนดีได้อย่างไรถ้าว่าไม่มีการฝึกการหัดดัดนิสัยจะเป็นคนดีไม่ได้ พาังกรที่จะเป็นคนดีได้พระดีได้โยมที่ดีได้ใจที่สูงส่งขึ้นมาได้ต้องเป็นผู้ฝึกหัดต้องเป็นผู้ดัดต้องเป็นผู้สั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจจึงจะสูงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้แล้วก็จำเนียกสํานึกเอาไว้ในจุดนี้ แล้วไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งเห็นจริงยิ่งกว่าตัวเองอีกทั้งหะตัวเองนั่นแหละจะรู้ได้ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนการประพฤติการปฏิบัติของตัวเองอยู่ในระดับไหนไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกตดูตัวเองธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะโอปัญญโก น้อมขอมาหาตัวเองนั่นแหละถ้าว่าตัวเองประพฤติปฏิบัติได้ตามแนวแถวที่พ่อแม่กูบายอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนแล้วความสุขความเจริญความมั่นใจความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะเกิดขึ้นด้วยความภาคภูมิใจถ้าว่าใครในโลกนี้ไม่ไม่มีใครประพฤติปฏิบัติรำ ห น, นีออกจากธรรมะหมดข้าพรเจ้าคนเดียวจะอยู่ข้าพรเจ้าคนเดียวจะประพฤติปฏิบัติธรรมข้าพรเจ้าคนเดียวจะมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อคุณงามความดีต่อหลักเหตุผลถ้ามันเชื่อเชื่อมั่นถึงขนาดนั้นไม่มีการหวั่นไหวใครจะเป็นยังไงก็เปลียนไปตามกระแสโลกวตฏะสงสารกิเลสก็รู้อยู่แล้วว่ามันมากกว่าธรรมกิเลสมันมากกว่าธรรม ความชั่วมันมากกว่าคุณงามความดีคนชั่วมากกว่าคนดีพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แล้วขนวัวกับเขาวัวไหนมากกว่ากันเราคิดดูก็แล้วกันคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเหมือนกับเขา ว, วัวแต่คนที่ไม่สนใจกับธรรมะไม่สนใจปรับปรุงแก้ไขกายว่าจจใจของตอนเองนั้นเหมือนกับขน ว, วัว กัพูดตรัสพระพุทธเจาตรัสมาแล้วตั้งยุคนั้นสมัยนั้นเพราะฉนั้นพวกเราอย่าแปลกใจว่ายุคนี้สมัยนี้ทําไมคนเป็นอย่างนั้นคนเป็นอย่างนี้เราไปคิดไปพูดให้โง่เท่านั้นเองแต่ถ้าเราพูดกับพูดกับเป็นข้อสังเกตสําหรับเราเองแต่ส่วนลึกของใจแล้วให้เรารู้เอาไว้ว่าความชั่วนั้นมากกว่าความดีความดีนั้นน้อยแต่ถึงยังไงก็ตามให้สังเกตดูตัวเองก็แล้วกัน ในวันหนึ่งเราคิดไปในทางไหนเราปล่อยจิตปล่อยใจไปในทางไหนบ้างทางว่าเราปล่อยใจไปไม่ได้สำเนียดสำนึกปล่อยไปตามอัธยาใจตามอาเภอใจไม่ได้นึกถึงคุณงามความดีไม่ได้ขัดเกลารับปรปุงแก้ไขไกายใจของตนเองอันนั้นแปลว่าความชั่วของเรามากกว่าความดี แต่ถ้าว่าเราตั้งมีสติพร้อมอยู่เสมอสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรานึกคิดเรื่องอะไรมีแต่เรื่องศีลธรรมมีแต่เรื่องขัดเกลามีแต่เรื่องชั่มละใจมีแต่สั่งสมคุณงามความดีมีแต่สั่งสมบุญกุศลคิดอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลในจิตในใจไม่เผลอไม่ลืมตัวอันนั้นแปลว่าเราเป็นผู้สั่งสมบุญบุญกุศล ของเรานี่มากกว่าความชั่วความดีของเรามากกว่าความชั่วไม่ต้องถามใครอื่นถ้าดูคนอื่นก็เช่นเดียวกันแล้วจากนั้นทาย้อนเข้ามาหาตัวเองทาย้อนเข้ามาหาตัวเองแล้วเราจะรู้ได้ว่าโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้มันจะต้องเป็นไปอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นให้พวกเรา ท่านทั้งหลายถึงใครจะดีใครจะชั่วยังไงก็ตามแต่ตัวก็รอในคนหนึ่งต้องให้มีให้พอเป็นพอไปมีความร่มเย็นเป็นสุขมีคุณธรรมในด้านจิตใจให้มีใจมีธรรมะเข้าสู่จิตใจจิตใจเป็นอริยะชนขึ้นตามลําดับคนอื่นจะเป็นยังไงก็เรื่องของคนอื่นแต่ข้าพเจ้าน่าจะต้อง สั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนเวเ น, นยสัตว์ทั้งหลายเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าจะเดินตามแนวแถวของพุทธถึงอย่างไรถึงจะยากจนคนแค้นอย่างไรก็ตามคอยเข้าไปเจ้าดวงตาเห็นธรรม ถึงเป็นระดับเบื้องต้นระดับกลางระดับสูงสดแต่ความมุ่งหมายของเราก็คือต้องการความสูงสุดของธรรมเป็นอรยิยบุคคลขั้นสูงสุดเพราะนั้นการปรารถนาหรือว่าการต้องการเราต้องทําปรารถนาให้สูงเอาไว้ให้เรื่องต่ําไม่มีปัญหาหรอกแต่เรื่องสูงเอาไวนะ้น่ยคาดสูงไว้เพราะความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจของเราจะได้สูงไปด้วย แต่ถ้าว่าเรามุ่งหวังต่ำความคิดของเราความประพฤติปฏิบัติของเราก็คงจะต่ำเหมือนกับเขาเรียนหนังสือเนี่ยถ้าว่าเขามีความมุ่งหวังยุคนี้สมัยนี้วิชาไหนที่คนต้องการมากที่สุดแต่ถ้าเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเราก็เรียนเป็นวันวันเป็นโดยความไม่ตั้งใจไม่สนใจมาก มันก็จะประสบความสําเร็จถึงขั้นสูงสุดทั้งโคงจะยากแต่ว่าถ้าว่าเรามีความมุ่งหวังมีความมุ่งมั่นสูงเราก็พยายามเตรียมพร้อมเหตุในการที่จะเดินเข้าไปสู่จุดสูงส่งนั้นต้องพยายามทําให้พร้อมอย่าให้มีการตําหนิเหตุให้พร้อมผลมันก็ออกมาตามที่เราต้องการถึงจะไม่ถึงขนาดนั้น ก็ใกล้เคียงเพราะว่าเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นตรงกันข้ามกับบุคคลที่ไม่ได้มุ่งหวังอะไรทาเป็นวันๆไปสักแต่ว่าทาไม่ได้มีความมุ่งหมายไม่ได้มีจุดหมายปลายทางว่าเราจะเดินไปจุดไหนอย่างไรอันนั้นก็มันก็ไปตามกระแสถ้าว่าเขาว่ายังไงก็ตามกระแสของเขาไป คนที่สูงก็เหมือนกับเป็นลักษณะคนหลักลอยไม้ปักขีเลนอย่างนั้นโยกไปมาโยกไปโยกมาตามเรื่องหากดหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะนั้นทั้งสองอย่างนี้พวกเราควรจะทํำยังไงควรจะเอาอยัางไงอันหนึ่งคือกฎเกณฑ์มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสูงอันหนึ่งแปลว่าตามกระแสเป็นยังไงก็ได้แต่แติดตามไม่จริงก็ควรจะมีความมุ่งมั่นสูงดีกว่า ถ้าอย่างนั้นถึงจะจังใจไม่ตั้งใจมันก็หลไปอยู่แล้วเพรา ะ, ะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะการสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลนำสุขมาให้อย่าประมาทชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนละนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่รู้ว่าวันไหนชีวิตของเราจะจากไปแน่นอน บางทีบางสิ่งบางครั้งเราอาจจะขาดไม่ถึงจนเลยซ้ําไปว่าชีวิตของเราทําไมเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะว่าชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมคือความตั้งใจในความไม่ประมาทไว้ทุกอริยบท น, น, นั้นดีที่สุดเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนนะ ถึงจะยากมีดีจนขนาดไหนถึงจะทุกข์ยากลําบากขนาดไหนแต่ธรรมะในจิตใจของเราอจะให้ขาดตกบกพร่องจุดนี้เป็นจุดที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งธรรมะในจิตใจของเราคุณธรรมในจิตใจของเราศีลธรรมในจิตใจของเราอันนี้เราต้องไตรตรองตรวจตราว่าอยู่เสมอแต่พวกเราทําได้อย่างนี้นั่นแหะความสุขความสงบร่มเย็นเป็นสุขในจิตในใจของเรา ไม่ต้องหาที่ไหนจิตใจของเราจะมีความแน่นหนามั่นคงเชื่อมั่นในตนเองเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพระภิกษุสัมมเนรอย่าไปส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกจนเกินไปโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละบุญวาสนาบา ร, รมีของเราคงจะเพียงแค่นี้ในชาตินี้ คงจะไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินคงพระเจาไม่ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิงจะไม่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ว่าเป็นพระอรหันต์นั้นพวกเราให้มุ่งหวังเอาไว้มุ่งมั่นเอาไว้แต่ต่างว่าพวกเราต้องอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ บ, ตบำเพ็ญอย่างเข้มงวดกวดขันมรรคผลนิพพานก็รอพวกเราอยู่อย่างพระอริยสาวกเจ้าทั้งหลาย ถึงจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็มึกเหมือนกับคนหาทรัพย์คนหนึ่งนอนไม่สนใจอะไรเลยแต่แต่ว่าคนหนึ่งรู้ว่าตัวเองไม่เป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีไม่ได้ในชาตินี้แต่ว่ามันขยันอดทนหาเงินคําทรัพย์สมบัติอย่างน้อยก็มีอยู่มีกินมีใช้มีสอยไม่ทุกข์กร ะ, ะําลําบากตรงกันข้ามกับคนที่ว่าถึงยังไงไม่เป็นเศรษฐีก็ปล่อยประละเลยไม่ได้ทํามาค้าขาย ไม่ได้สนใจทำมาหาเลี้ยงชีพคนนั้นไปลว่าจนตั้งแต่วันเกิดจนจนถึงวันตายแต่ถ้าว่าตัวเองรู้แล้วว่าจะไม่เป็นเศรษฐีแต่ว่าหมั่นขยันอดทนอย่างน้อยก็ประทางชีวิตได้รับความพรมเย็นเป็นสุขและขึ้นมาได้เพราะมาความหมั่นขยนันการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าจะเปรียบเทียบกคย็คล้ายนั่นแหละถึงจะไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสาร แต่ว่าเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่คุ ณ, ณธรรมก็จะต้องไหลเข้าสู่จิตใจของพวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นถูกไม่มากก็ต้องน้อยเพราะฉะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้นะชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนอย่าประมาทนะชีวิตของเราเนี่ย พวกเราอายุมาถึงขนาดนี้กี่ปีแล้วจะอยู่ไปอีกนานเท่าไรไม่มีใครรับประกันได้ชีวิตของพวกเราเหมือนกับมเมล็ดกาอยูนที่ปลายเข็มทิศแหลมๆนั่นไม่รู้จะตกวันไหนแต่ที่มันอยู่มันก็อยู่ได้แต่ที่มันจะลงมันจะลงเวลาไหนไม่มีใครรับประกันได้พวกนั้นอย่าอย่าประมาทให้สั่งสม คุณงามความดีเอาไว้ให้ทานเอาไว้รักษาศีลเอาไว้ภาวนาเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ภาวนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายในวันนี้ที่มานั่งอยู่ในขณะนี้เตรียมพร้อมที่จะทำภาวนาทำจิตให้สงบแต่ตามลำพังเราภาวนาอยู่ตามลำพังคนเดียวก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ท่านได้มาฟังครูบาอาจารย์พูดหรือวัน ได้มานั่งภาวนาในที่ชุมชนอย่างนี้ได้มานั่งปฏิบัติอย่างนี้อย่างน้อยพวกเราก็จะได้รู้ได้เข้าใจในภาคปฏิบัติได้ศึกษาได้ภาวนาการภาวนาครูบาอาจารย์ท่านก่อในแนะนำสั่งสอนมานานต่อนานมากต่อมากปริกรรมเบื้องต้นนั้นคืออะไรท่านก็ไม่หนีจากหลักเหมือนกันนั่นะ แต่พวกเรากหาว่าการพูดซ้ำซากบางังพูดบ่อยๆบับบงแต่ตามไม่จริงพวกเราการกระทำของพวกเราน่ะเป็นยังไงได้ไหมที่ท่านได้พูดไว้แล้วนะี่ะที่ซ้ำซากเนะ่ยเราประพฤติปฏิบัติได้ไหมการกระทำของเราไปอย่างที่ท่านได้บอกกล่าวไว้ไหมโดยมากจะไม่ได้ตรวจตาไม่ได้ดูตัวเองโดยมากเป็นแต่ว่า เราได้ฟังจนจำเจซ้ำากจนเบื่อที่จะฟังแต่ตามไม่จริงการประพฤติปฏิบัติกิเลสย่ำระอยู่ในหัวใจของตนเองนั้นไม่มีใครคิดไม่มีใครปรับปรุงแก้ไขเพราะนั้นเราต้องดูเราเป็นหลักในเมื่อครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนว่าเอาภาวนาพุโทโธนะเราอยู่กับพุโทโธหรือเปล่า เราอยู่กับลมหายใจเขาออกได้อย่างที่ท่านแนะนำสั่งสอนหรือเปล่าหรือเราฟังเข้าไปแล้วทะลุหูซ้ายทะลุหูขวาเออเป็นโมฆะจตตรีเป็นโมฆะบุรุษเป็นโมฆะภิกษุอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านประนามพวกเราท่านทั้งหลายอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าว่าพวกเราไม่ได้สนใจก็มันก็เข้าขายนั้นแหะเข้าขายที่พระพุทธเจ้าประนามโมฆะเป็นพวกผู้เปล่าประโยชน์ ถึงจะฟังมากยังไงก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้าว่าพวกเราฟังแล้วนำมาปรับปรุงการกระทาของเรากายวาจาใจของเราผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เป็นผู้พร้อมเป็นผู้เตรียมพร้อมเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังแต่ว่าผมก็คิดว่าพวกหมู่พวกเราท่านทางหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่มากก็ต้องน้อยละ นำมาปรับปรุงแก้ไขจะได้ทั้งหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้มันก็คงจะเสียบ้างได้บ้างเสียบ้างแต่ข้อสำคัญให้สังเกตตัวเองอย่าให้มันเสียมากจนเกินไปต้องพยายามทำให้ได้เป็นบางครั้งจังกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยให้มีสติในลมหายใจเข้าให้มีสติในลมหายใจออกหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโท พิจารณากำหนดดูให้มีสติในลมหายใจเข้าในหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าที่หลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกศิษย์ลูกหาของท่านให้ภาวนาพุทธโทเนอเวลาหายใจเข้าพุทธเวลาหายใจออกโทให้มีสติสติสัมปชัญญาสติคือความระลึก เระลึกได้สัมปัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาขณะที่กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นแต่ถ้าเมื่อขาดสติเมื่ อ, อไรแปลว่าเราไม่ได้ภาวนาเรานั่งอยู่เฉยๆเรานั่งแบบจุกปุกอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าว่าเรามีสติอยู่ขณะที่เรานั่งมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเรานั่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนั่นแหละคือนั่งภาวนา วันนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะไปนั่งณนะสถานที่ใดกุฏิศาลาที่ไหนก็ตามให้ดูใจของตัวเองให้ดูกายของตัวเองบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเรียกว่าภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นเราก็พิจารณาเมื่อจิตสงบเข้าเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วให้พิจารณา พิจารณานั是นึกคิดเออเดานึกคิดให้พิจารณารู้ร่างกายของเราร่างกายของเรามีอะไรบ้างอย่างเห็นคนตายอย่างเนี้ยเราไปมาติกาบางสระกุลคนตายอย่างเนี้ยอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องตายเหมือนเขาแน่ น, นะบอกใจตัวเองบอกความรู้สึกของตัวเองบอกใจของตัวเองนั่นห ะ, ะอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องโดนเขาเผาจนีงนะ เพราะนั้นแกอย่าประมาทนะแกต้องตายแน่ๆนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะต้องหามสหีบใส่ลงมาเผาอย่างนี้แหละามาจุดไฟเผาอย่างนี้แหละจากนั้นก็ชิ่นซากไปแล้วจบพบหนึ่งชาติหนึ่งไปแล้วร่างกายถูกเผาไปแล้วยังเหลือแต่จิตใจที่ออกจากร่างไปคือตัวนมามธรรมตัวผู้รู้เนี่ยส่วนขันห้าเนี่ยเขาเผาไปแล้ว ขันห้าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายรูปเวทนาชัญญาสังขารเนี่ยเขาเผาไปแล้วขันห้าถึงมันจะใส่น้ำอบน้ำหอมถึงจะใส่น้ำเหล่าน้ำยาถึงจะใส่อะไรก็ตามขันห้าเนี่ยเขาเ ผ, า เ, ผาเทงแล้วยังเหลือแต่ใจเท่านั้นน่ะที่ออกจากร่างนี้ไปจะไปสู่สถานทินใดที่ใด ถ้าเราสั่งสมบุญกุศลบุญกุศลก็จะเข้ามาประครับประคองใจดวงนั้นไปสู่ที่ดีคติที่เหมาะสมไปเกิดในที่พึงปรารถนาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมเราทำกรรมชั่วความชั่วนั้นก็เข้าประครับประคองใจดวงนั้นเหมือนกันพาไปเกิดเป็นหมูหมากาไกา่ไปเรื่อยแหละทนีนี้เพราะนั้นคนเราตายแล้วไม่สูญสูญแต่ร่างกาย อันนี้ก็คือให้พวกเราพิจารณาไว้อยู่เสมอว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งเขาต้องเผาทิ้งแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นการที่พวกเราจะมัวเมากับลาบกับยศกับสรินเสนกับสิ่งภายนอกจนมากจนเกินไปแต่ว่าตัวเองฉลาดแต่ตามไม่จริงเป็นบรมมโงสสำหรับหลักธรรมแล้วหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเรา ติดทางโลกไม่เป็นอย่างอื่นเป็นเป็นคนโง่โมคะภิกษุโมฆะสตรีโมฆะบรุษทั้งนั้น่ะไปให้ความสำคัญในสิ่งที่ไม่ควรจะให้ความสาคัญไม่ให้ความสาคัญในสิ่งที่สาคัญคือสิ่งที่สาคัญคืออะไรนี่แหละการพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมคำสังสอนอันนี้ ท่านให้พิจารณาให้มีสติอยู่กับตัวนี้อันนี้คือความสำคัญแต่สิ่งภายนอกทั้งโลกการสแสวงหาทรัพย์อันนั้นก็เพียงเลี้ยงชีพให้ตัวเองให้เป็นไปความห่วงหาอะไรเรื่องต่างๆเรื่องหลกงเรื่องวัฏสงสารยศถาบรรดาศักด์อะไรข้ตามอันนั้นแปลว่ามันเปล่าประโยชน์ผลที่สุดกว่าคว้าไปความมาหาสาระหาประโยชน์ไม่ได้ เระนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องทบทวนพิจารณาไว้อยู่เสมออันไหนคือสาระของชีวิตอันไหนคือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ของชีวิตชีวิตของเราจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่อันไหนคือแกนสารของชีวิตอันไหนคือความสุขที่แท้จริงของชีวิตเราควรจะยึดยึดหลักตรงไหนของชีวิต ชีวิตของเราได้ยึดอะไรที่จะเป็นแนวทางที่จะหาทางพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกสิ่งเหล่านี้พวกเราให้พยายามไตรตรองหมั่นศึกษาไว้อยู่เสมอแต่ถ้าว่าพวกเราภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกสติอยู่กับตัวเองแล้วเหมือนกับคนเฝ้าบ้านเราจะมองเห็นอะไร อะไรได้หลายอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับเราแต่ถ้าว่าพวกเราขาดสติมากๆจนถึงขาดสติไปเลยเหมือนกับเมาเฉลอ่ขาดอย่างนั้นเราจะมองไม่เห็นคุณงามความดีเราจะมองไม่เห็นอะไรทั้งหมดอยากร้องไห้ร้องไห้จยหัวเราะกูหัวเราะไปอะไรวเพราะมันขาดสติแต่ถ้าว่าสติอยู่กับตัวเอง อยู่เสมอเราจะมองเห็นว่าอันไหนควรเราจะคิดอะไรขณะนี้เราคิดอะไรเราจะพูดอะไรเราจะทำยังไงฮ่อย่างนี้ทำอย่างนี้มันถูกต้องไหมพูดอย่างนี้มันถูกต้องไหมถ้าเรามีสติเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้ก็คือวิธีการตามแนวแถวของพระพุทธศาสนา ว่าน น, นให้พวกเราตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกในหลักเป็นหลักเมื่อพิจารณาถึงกำหนดลมหายใจเข้าออกพิจารณาถึงร่างกายร่างกายนี้จะอยู่นานสักเท่าไหร่ไม่ว่าลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาวงสาขนาาิพ่อแม่ต่างคนก็ต่างไปตามกติของใครของเราอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องไปอย่างเขาไม่ต้องสงสัย เพราะนั้นการรักบริีการห่วงแหนก็ดีการห่วงหาอะไรก็ดีสิ่งเหล่านั้นมันมีนมชั่วงขณะชีวิตหนึ่งเท่านั้นคนที่ตายก่อนพวกเราไปเขาก็ห่วงหาอะไรครอบครัวของเขาญาติพี่น้องของเขาเพื่อนฝูงของเขายดถาบรรดาศักดิ์ของเขาไม่แพ้เราแต่ท่านเหล่านั้นก็ได้จากไปไม่เห็นมีใครกลับมาอีกกลับมาก็ต้องเป็นพบใหม่ชาติใหม่เป็นเด็กขึ้นมาหลงลืมไปแล้ว เพราะนั้นเราอีกคนหนึ่งจะต้องเป็นอย่างเขาแน่นอนเพราะนั้นพวกเราให้เตรียมพร้อมอย่าไปหลงมัวเมาจนเกินไปใ ห, ให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นก็ให้พิจารณาร่างกายสังขารตั้งแต่ผมตั้งแต่ศีรษะจนจดฝ่าเท้าร่างกายของเรามีอะไรบ้างอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้นจะต้องแตกสลายสู่ดินน้ำลมไฟ ไม่มีอะไรธาตุสีเท่านั้นในร่างกายของเราเนี่ยถ้าจะว่าไปคือคือธาตุสีรวมกันธาตุดินก็คือของแข็งกระดูกเนี่ยคือธาตุดินธาตุน้ำก็คือพวกเลือดน้ำปัสสาวะดินน้ำลมือลมหายใจเข้าหายใจออกมีลมในร่างกายลมในกระเพาะลมในลําไส้ ไฟก็คือร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นทำให้ร่างกายร้อนคือธาตุไฟมันเผาอยู่ข้างในปรับอุณหภูมิไม่ให้มันร่างกายมันเน่าไม่ให้ร่างกายมันเสียเรากินอาหารเข้าไปธาตุไฟก็เข้าไปเผาอาหารให้มันย่อยเพราะนั้นธาตุสี่ก็อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ แต่มีเจ้าของอันหนึ่งเข้ามายึดเข้ามาคลองในธาตุสีนั้นถือว่ามาเป็นเจ้าของของธาตุสีนั้นอันนั้นเป็นว่าใจนามธรรมใจพระพุทธเจ้าท่านให้ความสนใจนี่ะตัวนั้นะ่ะตัวเขามายึดคลองร่างกายนั่นะ่ะทนีตัวนั้น่ะเป็นตัวเจ้ากี้เจ้าการเรื่องราวต่างๆลุ่มหลงมัวเมา แต่เรื่องต่างๆคือตัวนั้นนะคือตัวใจคือตัวนามธรรมาตัวนี้นะเอมองไม่เห็นไม่มีใครเห็นหรอกแต่ว่าตัวเองรู้แก่ใจว่าตัวนี้คืออะไรเอ่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณากําหนดลมหายใจเข้าเป็นอันดับแรกกับพิจารณาร่างกายอย่างที่ว่านั้นเพื่อจะให้ดูรู้เห็นใจตัวนามธรรมาตัวนี้แต่ถ้าว่าเราไม่เห็น ลมหายใจเราไม่พิจารณาไม่เห็นร่างกายของตัวเองเราก็จะไม่เห็นนามธรรมคือใจดวงนี้เพราะว่าใจตัวนี้ละเอียดมากอต้องจับตามขั้นตอนขึ้นมาจนถึงใจฮ เ, เมื่อพิจารณาถึงใจแล้วท่นี่ใจตัวนี้เป็นเจ้าขี้เจ้าการเรื่องต่างๆอที่มันรุ่มหลงมัวเมาเรื่องโลกวัะสงสารเออ มันคืออยู่ในใจตัวนี้ทั้งหมดใจตัวนี้มันมีเชื้อมันมีเครื่องปรับปรุงมันมีเครื่องรบกวนมันเป็นมีเครื่องบังคับเรื่องบังคับตัวนี้คืออะไรคือกิเลสเีในหลักของพุทศาสน า, าที่พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วตว่ากิเลสเป็นผู้ปรุงใจตรงนี้ให้คิดไปในเรื่องต่างๆไปในกระแสทางต่ำะวากิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะ กิเลสนี่แหละพัมพาจิตใจของเราให้ตกต่ําไปในสิ่งที่ชั่วช้าลามกต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสน า, า, าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาใจของเรามองดูใจของเราว่าใจนี่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังสิ่งไหนนี่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราให้ดูเข้ามาหาใจ ให้ดูเข้ามาหาตัวผู้รู้นี่แหละท่านไม่ให้ดูที่อื่นนะท่านนี่ีแรกก็ท่านให้การประพฤติอยู่ในกรอบของศีลธรรมซะก่อนให้สั่งสมบุญกุศลซะก่อนจากนั้นใคยพิจารณาภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติสำปชัญญะจากนั้นก็ให้พิจารณาถึงร่างกายของตนเองมีอะไรบ้างมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีอาการ32ออยู่ในร่างกาย แล้วใครมายึดมั่นมาถือมั่นมาคุ้มครองมาครองใจมาครองกายตัวนี้อยู่คือใจคือนามธรรมเนี่ยนามธรรมในมองไม่เห็นนะละเอียดมากตัวนี้เหมือนกับลมลมแรงแรงอย่างนั้นนะ่ะถ้ า, า จ, จะว่าไปลมแรงกับใจแต่ว่าไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองแต่รู้ของเราเองโอ้จุดนี้สําคัญมากเพราะพระริเจ้าพระหานสาวกนะท่านจึงเพ่งมองเข้ามาหาจุดนี้คือจุดใจนะ นามธรรมตัวนี้เป็นเจ้ากี่เจ้าการเรื่องราวต่างๆออกไปจากตัวนี้ทั้งหมดแต่มันไม่ไม่เป็นตัวหรอกแต่มันมันเป็นพลังเออเหมือนเป็นพลังเหมือนปรมาณูอย่างนั้นอ่ะเออเราจับไม่ได้ว่ามันพลังออกมาจากไหนแต่มันระเบิดออกไปเนี่ยจิบหายวายปวงกันเป็นแถบๆอันนี้ก็เหมือนกันใจของเรากดดูๆแล้วมันไม่ไม่มีอะไรมองไม่เห็นแต่พลังของมันนี่มหาศาลอ่อ ที่บังคับใจของเราให้ทําในเรื่องต่างๆทํากรคำชั่วต่างๆพูดความออกไปในในชั่วทําไปในทางชั่วเพราะออกมาจากใจตัวนี้พราผนั้นใจตัวนี้สมควรอย่างยิ่งจะต้องได้รับความสนใจแล้วเอาธรรมะเข้ามาจาับมาดูมาดูใจของเราทุกๆ ท, ท่านเพราะนั้นใจทั้งหลายใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า อยู่ในจุดนี้แหละทาาว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเราพูดธรรมะถ้าาพูดแต่เรื่องนอกๆถ้าไม่ได้พูดถึงใจแปลว่าการพูดในครั้งนั้นคราวนั้นไม่ถึงไม่ถึงจุดจบถ้าเราพูดถึงใจแล้วนะ่ะมันเรื่องทั้งหลายออกมาจากจุดนี้ทั้งหมดออกมาจากใจเพราะนั้นให้พวกเราทั้งทั้งหลายผนะู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนมนานเอ แบบพิจารณาแต่กำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะพูดได้เล ย, เลยมันไม่เกิดประโยชน์นะประโยชน์น้อยนะต้องพยายามพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วให้พยายามดูใจเพราะต้นเหตุของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดเราจะไม่มองหาตนตอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วเราจะไปทำอยู่เพียงแค่นั้นไม่ได้นะเปล่าประโยชน์นะได้ประโยชน์น้อยมากนะ ถ้าว่าพวกเราเพ่งมองเขามาหาตัวผูรู้คือตัวใจและใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าดูความคิดนึกคิดของใจเอออยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนไหวของใจเราจะรู้เรื่องต่างๆเออคนอื่นก็ดูใจของเราเนี่ย่ะเราเปรียบเทียบคนอื่นเราจะเห็นคนอื่นได้ได้ชัดเจนขึ้นถึงเขาจะพูดถึงเขาจะคิดถึงเขาจะอะไรก็ตามดูใจของตัวเอง ของเขาของเรานะไม่แพ้กันมากหรอกถ้าใจมีกิเลสแล้วก็ไม่แพ้กันใจกันถ้าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ท่านก็เสมอกันท่านก็รู้โดยกลุ่มของท่านเองเหมือนกันระดับไหนเพราะนั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อพิจารณาแล้วให้น้อมถามใจตัวเองดูใจตัวเองเป็นหลักทีนี่มรรคผลนิพพานก็อยู่ในนี้แหละอยู่ในใจนี่แนหะ ใจตัวนี้จะพาไปเกิดถ้าใจมีเชื้อก oh ิเลสราคะโทสะโมหะมันก็จงต้องเป็นนักท่องเที่ยวเพราะมันมีทุนอยู่เออมันมีทุนใส่กระเป๋าของมันกิเลสมันก็ไปของมันเรื่อยๆล้วงั้นอแต่ถ้าตัดาขาดเอาซะเออไม่มีเชื้อไม่มีสิ่งที่จะมาพัวพันมันมีติจิตใจบริสุทธ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะแล้ว มรรคผลนิพานไม่ต้องถามหาที่ไหนเนะ่ะอยู่ที่ใจตรงนั้นละ่ะใจตรงนั่นแหละจะเป็นผู้ไม่พาเวียน่หวตายเกิดอีกใจตรงนั้นหยุดกำล้อ ก, กองเกวียนหยุดหมุนหยุดนิ่งนั่นละ่ะมรรคผลนิพานจะอยู่จุดนั้นนิพพานังประมังสุ ข, ขังนิพพานังประมังสุนอยยังจะอยู่ในจิตดวงนั้นละ่ะไม่อยู่ที่อื่น เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะตั้งออตั้งใจประพฤติปฏิบัติสรุปแล้วก็คือเบื้องต้นกรได้พูดการอยู่ร่วมกันสั่งสมคุณงามความดีใครจะไม่ภาวนาใครจะไม่รักษาศีลใครจะไม่ให้ทานใครจะไม่สั่งสมคุณงามความดีข้าพเจ้าคนหนึ่งจะสังสมคุณงามความดีจะสังสมคุณกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจใครทั้งโลกจะไม่ทาก็ตามข้าพเจ้าต้องทา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงคุณงามความดีมีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงข้าพเจ้าจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้อันนี้คือในจิตในใจใจของเราไม่ต้องพูดออกไปข้างนอกพูดอยู่ในใจจากนั้นก็สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราก็ทําสิ่งนั้น อย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีพิจารณาดูแล้วกูบาอาจารย์นแนะนำสั่งสอนแล้วเอสิ่งนั้นไม่ดีนะั่นเราคงพยายามงดลดละในสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาสู่คุณงามความดีจากนั้นกันี่แหละให้ภาวนาทีนี้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกฝึกหัดฝึกหัดดูเราจะมองเห็นได้ถ้าเราไม่มีสติเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดแล้ว เราจะรู้คุณงามความดีของใครอื่นของตัวเองเรื่องต่างๆนั้นเป็นไปได้ยากเพราะเราขาดสติแต่เมื่อเรามีสติสมบูรณ์สติมหาสติมหาปัญญาอยู่ในสมาธิของเราดีแล้วเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวจากนั้นก็กาหนดลมกาหนดดูใจของตนเองความนึกคิดของตัวเองที่มายึดครองกายวาจาของเราเนี่ะ ที่นี่ขนานดะมาดูอเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงในใจใกําหนดรู้ใจปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจวางดูที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงก็เห็นกันอยู่ทุกขังเป็นทุกในจิตในใจเศร้าหมองพองใสคือรู้แกจิตแกใจเพราะฉะนั้นเราปล่อยวางตรงนี้นะมรรคนิพพานก็จะ รอคอยพวกเราอยู่ไม่ใช่รอคอยนะพวกเราเดินเข้ามาหาไปหามรรคผลนิพพานจะจากนั้นก็ตัดโกลงลอกรรก้อกำเกรียนออกจากจิตใจของเราไม่ใช่ตัดที่อื่นนะอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจเพราะนั้นดูที่ใจแก้ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจนะการพูดการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรขอจบแล้วก็ ตอนนี้ไปให้นั่งภาวนานะทีนี้นะขัดสมาธ์กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือใครจะพิจารณาร่างกายร่างของตัวเองกระดูกนับเป็นท่อนๆก็ได้ตามความถนัดของตัวเองที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติมานมนานนะาว่าผู้เริ่มกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหะนะเป็นหลักนะถ้าตอนนี้ไปนั่งภาวนา